เ, เวลาบินทบาตเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไปบินทบาตแถวพูหลงนะอีกวัดหนึ่งเนี่ยห่างจากนี่ประมาณสิบสามกิโ ล, ลก็จะมีบางช่วงนะเคยมีเด็กนะผู้ชายอายุประมาณสิบขวบปหก <c oughs> ก็จะเดินตามพระนะไปช่วยสะพายย่ามเพราะว่าที่พูหลงนี่ ญาติโยมใส่บาตกันเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวนะแต่ว่าผลไม้กับข้าวนี่ถ้าคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องแบกถึงสองสามย่ามนะต่างจากที่นี่นะที่นี่ไม่ค่อยอมีใครถวายนอกจากข้าวเหนียวแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงปิดเทอมนะเด็กคนเนี้ยก็มาช่วยเดินตามหลังพระนะแล้วก็ สะพายย่ามผลไม้กับข้าวก็เด็กคนนี้ก็สะพายก็ช่วยทุนแรงพระไปได้เยอะก็ทำอยู่ได้สักสี่ห้าวันนะวันหนึ่งระหว่างที่บินทะบายอยู่เด็กก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไม่ม า, าช่วยหลวงพ่อสะพายย่ามแล้วถามว่าทำไมเหรอให้บอก โดนเพื่อนล้อนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนนักเรียนด้วยกันนี่แหละมันล้อนะนะเขาก็เลยอายนะก็เลยอ่ขอจะเลิกทำหน้าที่นี่แหลนะก็เลยบอกกันไปว่าโอ้ยเราทำดีนะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญกุศลเลยนะนะอย่าไปกลัวนะ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 ไปยกพวกตีกันบางทีไม่ได้เกลียดชังหรือว่ารู้จักอีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนตัวนะแต่ว่าเพื่อนขอร้องหรือเพื่อนอชักชวนบางทีก็กระตุ้นเรานะเราก็เลยเฮไปนะเฮไปตีเขาเรื่องแบบนีก้กล้าแต่เวลาจะเห็นคนเดือดร้อนนะ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 การสลัดที่นั่งให้คนแก่คนท้องนี่มันก็เป็นความดีนะน่าสารรเสริญแต่หลายคนไม่กล้าถามว่าทําไมอายอายอายบางทีอายเพื่อนอย่างนี้เป็นกันเยอะนะมันมีคนเนี่ยบางบา ง, บางทีเราเดินผ่านย่านชุมชนนะมีคนเป็นลมคนก็เยอะแยะนะก็เดินผ่านไม่สนใจ แต่ถ้าเกิดว่ามีสักคนหนึ่งนะนะก้มลงไปช่วยเขาหาน้าหรือว่าหาย า, าเพราะว่าจะมีคนที่สองคนที่สามเนี่ยลงไปช่วยนะแต่ถ้าไม่มีคนแรกนําก่อนนะไม่มีใครทำนะไม่ใช่ว่าคนที่เดินผ่านมาผ่านไปผ่านมาไม่มีน้ำใจนะ มีน้ำใจแต่ว่าไม่กล้านะเรารู้ได้ไงว่าเขาไม่กล้าเพราะว่าพอมีคนที่หนึ่งหรือคนแรกเริ่มทำมีคนที่สองคนที่สามก็ตามมาแล้วมาช่วยนะเป็นอย่างงี้นะเดี๋ยวนียกล้าทำชั่วกลัวทำดีหลายคนเนี่ยกล้าที่จะคอร์รัปชันนะแต่ว่าเวลาถึงคราวที่จะซื่อสัตย์สุจริตนี่ไม่กล้านะ อันนี้ก็เกิดขึ้นมากนะในวงการของราชการหลายหน่วยงานทีนะ่มันมีผลประโยชน์เยอะพอแหละเพอเพื่อนๆหรือใครๆเขาก็ทำกันใครๆเขาก็โกงให้เขาทุจริตนะก็ทำโดยไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่พอจะซื่อสัตย์นะถึงข่าวจะซื่อสัตย์เบิกนะต า, ตามตามค่าใช้จ่ายจริงนะหรือว่า ไม่เรียกเอาสินบาสินบนนะไม่กล้านะบางคนก็เป็นตำรวจนะบางคนก็เป็นข้าราชการอาจจะสูตรรักการสอนพากร์ก็แล้วแต่แต่ทีนี้มันไม่ได้เป็นการราชการเดียดเอกชนก็เป็นนะอันนี้เราว่ากล้าทําช่วกลัวทําดีอันนี้ก็แปลกนะมันมาถึงยุคที่คนเนี่ยรู้สึกว่าการทําดีนี่เป็นเรื่องที่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 การจะขอโทษเนี่ยพ่อแม่เนี่ยผมเป็นเรื่องยากมากเลยไม่กล้าแต่ว่าพอเวลาจะว่านี่นะไม่มีการลังเลเลยนะอันนี้ก็จัดว่าอยู่ในประเภทกล้าทําชั่วกลัวทําดีนะเพราะว่าการว่าพ่อแม่เนี่ยอันนี้ไม่ไม่เหมือนกับการไปไปทวงติ้งนะทวงติ้งก็นหนึงแต่ไปว่าเนี่ยด้วยอารมณ์เนี่ยมันไม่ดีนะแต่คนเราก็กล้าทํา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 หรือว่าตามเพื่อนไปไปตีเขาทั้งๆั้ที่ก็ไม่ได้เกียดชังอะไรเขาเลยไม่ไม่ได้รู้จักด้วยแต่ว่าต้องการการยอมรับไอ้นี่ก็ตัวมาน ะ, ะการทำชั่วเป็นเรื่องง่ายหรือว่ากล้าทำได้มากขึ้นเพราะว่าปล่อยให้ตัวกิเลสเป็นครอบงำแต่เวลาจะทำดีนี่นะกิเลสมารู้สึกเสียหน้านะจะไปขอโทษเนี่ยเสียหน้า ไอตัวอัตตาเนี่ยมันไม่ยอมนะหรือว่าเกิดไปทำดีแล้วเนี่ยมันผลประโยชน์มันได้น้อยลงตัวโลภะมันก็ไม่ยอมมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่นะแพร่หลายไปทั่วประเทศเลยนะกล้าทำชั่วกลัวทาดีมันต้องเปลี่ยนหม่นะก็คือว่าไม่กล้าทำชั่วแล้วก็ไม่กลัวทำดีนะสำคัญมากเลย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 กินเหล้าเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยไม่อยากกินเหล้าต้องกินต้องกินนะเพราะว่ากลัวเพื่อนว่านกลัวเพื่อนว่ากลัวเขาจะไม่ยอมรับนะอันนี้ก็เรียกว่าจัดอยู่ในเพศกล้าทําชั่วนะัแต่ว่าเวลาจะทําดีคือว่าฉันไม่กิน่ะนะเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายมันเปลืองเงินนะ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 กลัวที่จะขัดขืนนะกลัวที่จะบอกว่าฉันไม่ไปนะลูกเมียรออยู่นะไปเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าลองดูดีๆในะคาว่ากล้าทำชั่วกลัวทำดีนะี่เป็นเงินเยอะนะอย่าไปเชื่อเราก็ไม่เป็นเราก็เป็นนี่นเราพยายามปรับใจสมัยนะให้เป็นคนที่เวลาทำดีนี่กล้าทำชั่วนี่กล้าเวลาทำชั่วนี่ก็ไม่กล้าที่จะทำแต่กล้าขัดขืน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 ทำให้เรายอมโอนอ่อนผ่อนตามเลยง่ายๆเสร็จแล้ววันดีคืนนีพอมีอะไรมากระทบนะน้อยใจเสียใจนะโอ้มันทำาสิ่งที่เลวร้ายหรือว่าสิ่งที่เสียหายได้เยอะเลยนะเมื่อเช้านี้ก็ได้ข่าวนะ่มีเด็กคนนึงอายุสิบขวบนะอายุก็ไล่ๆกับนักเรียนที่มาปลูกป่าเนี่ยชเช้านี่จะไปโรงเรียนนะ แม่ให้ไปโรงเรียนไนงะก่อนจะไปโรงเรียนแกก็หยิบถือวิสาสะหยิบกระเป๋าเงินแม่กระเป๋าสตังค์อะนะแม่เห็นแม่ก็ว่าทํานี้ได้ไงวิสาสะเด็กเสียใจนะทีแรกเด็กโกรธก่อนเด็กก็เอายาวว้อยวายนะเสร็จแล้วเดีกก๋ยวก็ก็ตกลงว่าไม่ไปโรงเรียนแล้วก็นั่งซึมอยู่ในห้องแม่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเดี๋ยวก็คงจะดี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 เราจะพาชีวิตเราไปทางไหนนะพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญแม้จะมีอุปสรรคมากมายหรือว่าพาชีวิตลงนะลงเหวหรือว่าโดดลงมาจากตึกนะโดดลงมาจากสะพานมันก็ได้ทั้งนั้นแหละจิตใจเนี่ยแม้จะไม่เจ็บไม่ป่วยก็ตามนะถ้าวางใจไม่เป็นนะมันก็พาไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนความชีพหายได้เอาล้วก็เตรียมรับผ่อน อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยทะผลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวะส ม, มิชตัตุจงสำเร็จโดยฉะพรสาสเพปูเรนตุสังกป้า้อความดำริทั้งบ่วงจงเต็มที่จันโทปนรารโสยาทาเหมือนพระจัจทร์ในวันเพนมณีโชติราโสยาทา เืินแก่เมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสาพีตโยอิวัชันตุวานจารายทางปวงจงบำราไปลายสาพอ โ, โควินาสตุโรคทางปวงของท่านจงหายมาเตพวัวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิธิกายุโกฮาวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิลิสันิจังุทธาปจายนโนจัตตารธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพาลังบารสิบาการคืออายุวันนาสุขาพะลยนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหยกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ ภาวตุสาภังบาลังพอสาภะมงคลจงมีแก่ท่านพราคันตุสาภาเท ว, วตาพอลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภะพุทธานุภาเวนาอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภะธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรม สาพาสังฆอนุภาเวนะโดยอนุภาแห่งภะสงสัทธาสติภาวันตุเตอความสาดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านเมื่อเธอ